ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉับพัคีด่าท่านพระอุบาลีในสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสมสมุดฐานและ